ย่าโยมหลายวันนี้เป็นวันแรกของเดือนนี้ <c oughs> แต่ว่าวันนี้จะพูดไปได้แค่ไหนก็ไม่ทราบที่เด็ดคอสาหรับวันแรกหรือวันไหนก็ตามตการะสดงกรรมฐานบรรดาญาโยมพุกบริษัท <c oughs> ความมุ่งหมายจริงๆของพระพุทธเจ้าก็คื อ, คอต้องการให้ทุกคนหมด เรการจะหมดทุกข์ได้จริงๆก็ต้องไปนิพพานทีนี้กันไปนิพานเป็นของไม่ยากอยากไหมไปนิพพานเป็นของไม่ยากสําหรับคนนี้ไปได้แล้วก็เป็นของไม่ง่ายสําหรับคนนี้ไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกอย่างต้องเนื่องด้วยบารมี ถ้ามีบาร ม, มีไม่ครบถ้วนก็ไม่สามารถจะไปนิพพานได้เรื่องนี้ธรรมาก็ขอยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะคําว่าบาร ม, มีก็แปลว่าเต็มแล้ถ้าจะแปลให้เต็มศัตด์จริงๆ้็แปลว่ากําลังใจเต็มกระบวารไม่ใชการมันจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่กําลังใจขอ คนที่ครั้งหนึ่งว่าคำว่าบารมีคือกลังใจเต็มอยู่ทีใจตัวเดียวถ้าจิตใจเราพร้อมที่จะปฏิบัติความดีทำลายรากรากเงาของความชั่วให้แกโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงความจริงความชั่วและกิเลสจริงๆก็มีสามอย่างคือรากเงาคือความโลภความโกรธความหลง ถ้าเราสามารถขุดรากถึเงเหง้าได้แล้วต้นไม้ต้นไหนก็ตามมันก็ตายข้อนี้ชั้นใดบรรดากิเลสทั้งหลายก็เหมือนไกนถ้าบรรดาญาโยมวัตถุเป็นัตว์ทำลายความโลภความโกรธความหลงได้ก็เป็นิธานได้นี่คาว่าปณิธานอาจจะหนักไป <c oughs> การมาคราวนี้ก็คิดว่าจะพูดจะเป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็บรรดาญาโยมัตถุเัท เอาชนะแดนสวรรค์ก่อนดีไหมมีไมด่ดีแล้วก็คืนที่สองถ้าไม่เผลอป้าไม่ได้ที่เผลอนะ่ะก็ชนะแดนรมได้คืนที่สามราชนะแดนผ่านดีไหมดีนะจะหนะนะนีนะเดี๋ยววิ่งแบบกล้องเรานี้นะ หลงจากเต็เราแล้วเขก็เร็วเพ่งวิ่งกล้องตอนนี้เอะเพราะฉะนันเส้นเทียมไมเขียนด้วยนไม่ไหนรู้เรื่อครับต้อเรียกริมลำบางิ่งก่องเยอะยังไม่เรียกริมตอนนี้แต่ว่าก่อนที่จะนัดสวรรค์ก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนเพราะว่ากันดาญาโยมพุทธบุรัตว์างคนยังเข้าใจพลาดมีอยู่ ที่เขาใจตรงความเป็นจริงก็มีเข้าใจพลาดก็มีพี่ทราบพว่าปัญหาเมื่อกลางวันในหลายข้อที่ถามมาพลาดเป้าหมายมากถูกไหมคว่าพลาดเป้าหมายหมายถึงกํลาลังใจความรู้สึกกำลังพลาดเปหมายถ้าพลาดเป้าหมายนี่แม้จะสวรรค์ก็ไปยากถูกไหม เ, ออเคยไป ออันนี้ก็ขอขึ้นต้นเลยขึ้นต้นในการเจริญวัคติฐานจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ภาวนาก่อนนะก่อนที่จะภาวนาเนะี่ยต้องพิจรารณาก่อนคําว่าพิจรารณาก็คืออารมณ์คิดถ้าไปใช้ศัพท์ว่าพิจรารณาก็จะบอกว่าฉันพิจรารณาไม่เป็นนี่เห็นไหมคิดว่าอารมณ์คิดว่าอารมณ์สูงเกินไป การพิจารณาก็คืออารมณ์ทิ่ฉันเองคิดยังไงในเบื้องตน้นพระเจ้า้ทรงคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายใช้อารมณ์สั้นๆและก็ง่ายๆก่อนเอาสิ่งนี้เห็นง่ายๆสิ่งนี้เห็นง่ายๆเพราะว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมามันตายเหมือนกันหมด <c oughs> แต่ว่าถ้ามียอะ ม, มากเพราะว่าคนเก่าตายไปคนใหม่เกิดขึ้น จะเป็นใครก็ตามต้องตายไม่ไงถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะตายหรือไม่ตายคิดว่าแก่น้อยเกินไปยังไม่ตายก็ลองคิดดูว่าเด็กที่เกิดมาทีหลังเราตายก่อนเรามีไหมล้าเพื่อนๆนี่เกิดมาพร้อมกันตายตายก่อนเรามีไหมคนเขาเกิดก่อนตายก่อ น, น, นแน่นอนก็รว้ความว่าเด็กที่เกิดทีหลังเราตายก่อนเรากป็นคนเยอะ คนที่เกิดวรกับเราตายก่อนเราก็อคนเยอะไอ้คนแก่มันจะพูดกันแก่มันพ้องกับการตายอยู่แล้วนะเรื่ <c oughs> ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจรารณาว่ากายเกิดมาเพื่อตายเนี่ยมันเกิดมาเพื่อความสุขหรือความทุกข์ตัวนี้เป็นอริยสัจถ้าคิดว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงแค่คนทุกคนทุกคนแล้สัตว์ต้องตายแน่มีอย่างนี้เป็นมรณานตินนกรรมฐานด้วยสมถะภาวนา แต่คิดว่ากายเกิดมาเขาคนคนดีเขาใส่คนดีในโลกนี้เป็นสุขมีสุขพรมีทุกตัวนี้เป็นอริยสัตว์อริยสัตว์เนี่ยตัวตัดกิเลสตรงก็ใช้ปัญญาพิจารณาเราเองเราลองเห็นทุกคนอื่นไม่เห็นได้ยากต้องมองตัวเราคนอื่นก็ทำงานมีความเหน็ดื่อยแล้วเราไม่ไม่เหนื่อยด้วยไม่เข้าใจในทุกใช่ไห เขาป่วยไข้ไม่สบายแล้วไม่ป่วยด้วยเขาบอกว่าป่วยแล้วคิดว่าป่ว ย, ยหรือรก็ไม่มีครับไม่มีความรู้สึกอะไร <c oughs> ก็ต้องดูตัวเราเองว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนกรทั่งวันนี้เรามีความสุขจริงๆกี่วันความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือความต้องทนสิ่งที่คนได้ยากคืหอหนึ่งความหิวถ้าหิวได้น้อยผลได้หิวมากๆทนไม่ไหวใช่ไหมคุณเจริญโลง สองร้อยเกินไปสามเย็นเกินไปเสียการป่วยไข้ไมส บ, บายห้าความปรตนาไม่ค่อยจะสมหวังทุกอย่างนี้เป็นทุกขหมดแล้วเกิความแก่กข้ามาถึงความแก่เขาา้า ม, เขามาก็ทุกหนักมากในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงก็มีทุกข์ป่วยตนามาก ก็นั่งดูตัวเราเองว่าเรามีความสุขจะมีความทุกข์ไอสิ่งที่เราคิดว่าสุขจะมาสุ ข, สขจริงแล้วสุขของมาสุขหลอกลวงใช้ปัญญานิดเดียวก็จะทราบว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย <c oughs> ไม่มีใครมีความสุขจริงไม้แต่ความทุกข์ที่เราเกิดมาเพื่อความทุกข์จะเกิดทำไมต่อไปแล้วก็ทำไมเป็นเกิดสิ่งที่ทำให้เราเกิดจะมีสี่ประการ คือหนึ่งกิเลสสองสปัญหาสาปาทานสี่อคุศนกรรมทั้งสี่รายการเนี่ยบังคับให้เราเกิดต้องเกิดบนเสวยทุกเวทนาในความเป็นคนเท่านั้นยังไม่พอท่านในฐานะที่เป็นคนปฏิบัติชั่วเล็กน้อยไม่มากนะักตายจากความเป็นคนก็ไ ป, นน เ, ปเกิดเป็นสติสแฉนถ้ามีความชั่วหนักกว่านั้นนิดหนึ่ง ก็ไปเกิดแววสรกายใจทั่วมมากกว่านั้นค่อนขันจะแรงก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้ามีกําลังสูงจากความทั่วมมีกําลังสูงก็ไปเกิดเป็นสัตวนรกไอ้สีแดงเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความเยือกเย็นไม่มีการผ่อนคุมเราเกิดเป็นมนุษย์มีความทุกข์อยแต่ว่ามีการก่อนทุกข์อยู่เมีบ้างเปง็นธรรมดาตามตามกัรจังหวะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อพิจนารณาแล้วท่านคิดว่าความเกิดของคนเต็มไปความทุกข์ทุกนี้ตัวเปเริยสัจทุกจะเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตท่านเขียนว่าความเศร้าหมองของจิตคืออารมณ์จิตเลวจิตปีโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงถ้าพูดอย่างนี้ก็สูงเกินไปการแยตัดอย่างนี้ได้หมดก็ต้องเป็นพระอรหันต์เพราะยากเกินไป ก็ต้อง ก, กล่าวว่าจิตต้องการละเมิดถึงห้าคือยาฆ่าสัตว์แตชีวิตซึ่งไม่มีความจําเป็นในการในสองจิตอยากได้ทรัพย์สมบัติขาของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมในการในสามจิตอยากจะแย่งของนักของคนอื่นในการในสี่จิตอยากจะใช้ให้ปากพูดมุสาบานในการในห้าจิตอยากจะดึงสุรามีไร่วงความอารมณ์ใจที่มันทั่วยอย่างนี้เบื้องตรง เขาเรียกกับว่ากิเลสคือทำจิตใจเศราหองอยากได้ของเรลวที่ประเมินของนี้ไอ้ตัวอยากได้อยากจะทํำในนี้ก็เรียกว่าตัณหาอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะรักทรัพย์อยากระพฤติกิจการเม็ต้นไอ้ตัวอยากเป็นตัณหาและไอ้ตัวที่คิดว่าถ้าทําอย่างนั้นได้มันดีนี่คือความทันถ้าทมมาํานลงไปแล้วท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าอภุดสนกรรมคือทําชั่ว อาการสี่อย่างที่เราสร้างมาในการก่อนเป็นไปใจเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจัเกิดเป็นคนบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสดิสแฉนบ้างบางจังหวะความดีที่เรามีอยู่ก็บันดาลในไปเกิดเป็นจิวดาและผมบ้างเมื่อหมดพุนพัฒนาบา ร, รมีก็กลับลงมาทุกใหม่วความว่าขึ้นชื่อว่าความทุกอย่างนี้ จะมีแต่เราทุกชาติในการที่เราเกิดแค่นั้ก่อนภาวนาก็คิดว่าต่อที่ไปเราจะตัดอาการเกิดวิธีตัดก็ต้องตัดตั้งแต่เบื้องต้นก็ค่อยตัดใช้ลมเบาๆพิจารณาความตามความเป็นจรว่าคนเราเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามีอคติสน ก, กรรมครอบงาำ บ, บ้างตายแล้วก็ยังมีทุกข์ความทุก็เป็นมือที่สุด เพาเวียนว่ายใจเกิดนวัตาหาความสุขจริงไม่ได้เราต้องการหนีทุกข์คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจะยอมรับนับถือพระธรรมยอมนับถือพระอริยสงฆ์ตอนที้ไปเราจะตั้งจิตสรงให้มีมีสติสัมปชัญญะสมบูร์ขึ้นถ้าเรามีสติคือความระลึกนึกได้สัมปชัญญะรู้ตัว ถ้าสองเหตุการณนี้ครบพุ่นอะไราเป็นอาราหันต์มานั้นตอนนี้ไปเราจะฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิคือสติกทศกัณฐ์สมัชนยะเหตการณ์จะทําให้ตรงจิตมีสมาธิดได้ก็ต้องใช้อนาปานุสติกรมฐานคือการรูล้ลมหายใจเข้าออกการที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้เป็นสมาธิที่มีความสาคัญมาก สา ม, มารสมรติได้สมบูรณ์แบบแล้วตัดความพุ่งสร้างง่ายๆจากะนั้นไปก็ขออนรดาท่านผู้บริสัทธเอาจิตใจเข้าไปรับทราบเราลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหาใจออกเวลาหายใจเข้ารู้หนูหายใจเข้าหายใจออกจิตรับทราบหายใจออกหายใจเข้ายาวแล้วสั้นหายใจออกยาวแล้วสั้นก็รู้เล ขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออหายใจออกจะรู้แล้ ว, ล, วลมออกยาวรู้สั้นก็าตามขณะนั้นที่ว่าจิตต้องอันดาท่านพุทบริษัทมีสมาธิสมาธิเนี่ยก็ปลว่าการตั้งใจตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกขณะที่จิตใจไปจับอยู่ที่ศูนย์ที่ลมหายใจเข้าใจออกตอนนั้นกิเลสไม่เข้ามาข้องกับจิตของท่านที่วรนตัวร้ายไม่เข้ามากวนใจ ถ้าที่บอลกวรใจแล้วก็ทรงสมาธิไม่ได้จิตทรงตัวไม่ได้ฉัสงส น, นั้นว่าขนาดใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกมันจิตได้กลับสะกดใสเวลานั้นจิตต้องมีสมาธิแต่การฝึกสมาธิในการรู้ลมเข้าลมออกก็ดี <c oughs> การภาวนาควบคู่คนดีขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทให้ทราบ ว, ว่าจิตจะทรงอยู่ได้ไม่งานสำหรับภ า, า, า, า, าวนาก็จะภาวนาไว้ยังไงก็ได้ ภาวนาว่าพุโทโก็ได้สัมมาระหังก็ได้ได้ทุกอย่างไม่ห้ามเพื่อให้รูค้ควคู่ใบตั้งพุโทโตให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกในวันโทเนเวลาที่รู้ลมไม่ใจเข้าใจออกเป็นขอบันดาทัปนพุทธวิสัชยอย่าบังคับลมหายใจลอยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติเอาติเข้าไปรับทราบเต่นั้น <c oughs> ไม่เป็นการเรื่อต้นนะ หลังจากคิดและวิจนารณ์แล้วมาจิตชินว่าการเกิดไปเป็นเรื่องเป็นทุกข์ราไม่ต้องการเกิดอีกก็หันมาจักโรงกรรมาฐานใหญ่เป็นลมัายใจเขาออกที่เรียกว่านาฬานุสิตกรรมาฐานกรรมาฐานกองนี้เป็นภัยคุมกรรมาฐานทั้งหมดกรรมาฐานจริงๆพุทธเจ้าทรงตัดไว้สี่สิบกองอีกสามนิ้ก้ากองอยู่ภายใต้อำนาจก็อนาฬานุสิตต้องคุมทุกกอง ในเวลาที่ญาติโยมบริษัทภาวนาวันนี้ปัญหาที่ถา ม, มาเขา้ามาครับท่านสวดนี้บางคนบอกว่าบางทีเห็นสีเหลืองบ้างสีนวบ้างสีนีนบน้บ้างความจริงอย่างนั้นไม่ได้ถูกจริงมันถูกเป็นกันดำเนิการถูกแค่ไม่ส่งตัวการเห็นแสงสีก็ตามเห็น้างก็ตามมันอาจจะเห็นได้เมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ การเห็นอย่างนั้นไม่มีการจริงจังเพระจะเห็นแว็เดียวภาพมักน <c oughs> ก็หายไปเพราะฉะนั้นจิตสุวรรดาจะพุทธบริสทัท์เข้าถึงอุปจาระสมาธิคำว่าอุปจาระสมาธิถ้าว่าภาษาไทยเรียกอุปจารชานถ้าแปลใชัดๆอีกนิดก็ต้องเรียกชานยังไม่ถึงปฐมฌาน แล้วใกล้ไปแต่ว่านมากจิตยังมีความรู้สึกแต่ว่าจิตมีความทุ่มชื้นแล้วก็เต็มไม่ได้ปีติปีติคือความอิจใจตอนนั้นจิตใ จ, จช่วยๆแล้วจะมีอามเผลอนิดหนึ่งตอนได้อารมเผลอนนหมายจิตละเอียดที่สุดตัดนิวรณ์ทั้งหมดจิตทรงตัวเป็นอิสระภาพสภาพผู้จิตก็เริ่มมีความในคิดตอนนั้นเมื่อจิตมีความไม่คิดก็สามารถที่เห็นภาพที่เป็นทิพได้ อย่างยินเสียงที่เป็นคิดได้แต่มันแม็เดียวเห็นปัป๊ภาพที่เป็นคิดปรากฏแล้วก็หายไปที่หายไปนั้นภาพไม่ได้หายจิตเจ้าเคลื่อนพ้นจยกําลังความเปจิตถ้าใหม่ๆหจิตเคลื่อนปั๊บก็ตกลงต่ากลองอระจารสมาธิไม่สามารถเห็นหรือว่าบรรดาแต่พระดรรถถถุสิตทีจิตทรงชาญจริงๆเข้าถึงฌานที่หนึ่งไปถึงฌานในสีตอนนี้ไม่ถึงเหมือนกัน ความเป็นทิพขอจิตจะอยู่แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นนั่ขอบรรดา ญ, ญาโยมมุตบริสัทธุท่านเวลาที่ภาวนาและที่เจรณาจงอย่าสนใจในภาพเกินไปถ้าบังเอิญจิตเห็นภาพกค็คิดว่าภาพจะมาและภาพจะไปก็เป็นเรื่องของภาพแสงสีจะมาและจะไปก็ เ, เรื่องของแสงสีเราไม่สนใจเราสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุด ถึงการเรียนกรรมฐานท่านต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ที่สุขท่าจะถามว่าถึงฌานไหนก็ไม่ต้องนับฌานท่าจะถามว่าถึงสมาธิขั้นไหนก็ไม่ต้องนับสมาธิเหมือนกันแต่คือวมนับ ก, ก็มัยุง่งขณะใดที่จิตมีความสุขให้พอใจในขณะนั้นนั่นมันมีว่าถ้าจิตถึงความสุขงที่สุดของอารมณ์ที่จะส่งได้จิตจะสามารถท่งได้อารมณ์ได้แค่นั้น จะไม่สูงไม่กว่านนั้นก็ยังไม่เลิกแต่ว่าสักครู่หนึ่งกิจจะตกสมาธิจะตกลงถ้าสมาธิตกลงวู่จะมีความรู้สึกหนักไปนิดตกใจแล้วต่อไปไม่สามารถจะควบลมตามนั้นได้จะสามารถควบลมได้ไม่กันแต่ต่างกว่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็พอใ จ, จเฉพาะเวลานั้น แต่หมาความว่าจิตทรงนี้ได้แบบไหนก็ตามเราพอใจตามนั้นทันตีไม่เป็มผูกความว่าการฝึกขัดเบื้องต้นการฝึกจิตเบื้องต้นยจะไข้รสชาติโลกีเอาความแน่นอนของอารมณ์ไม่ได้ถ้าร่างกายดีสมาธิก็ทรงตัวดีถ้าร่างกายไม่ดีป่วยแข้ม่สบายเ ห, หนื่อยเลยก็ตามนี่จิตใจมัววาสมาธิก็ไม่ทรงตัว รวมความว่าคอมมิดาญาโยมบริษัทเวลาจเจริญกรรมฐานจะเป็นเวลาไหนก็ตามให้พอใจเมื่อจิตเป็นสุขได้จงอย่าเร่งรัดเมืจิตจะเป็นสุขขนาดนั้ขนาดนี้สมมติว่าวันนี้ไม่มีการเตรียมตัวแต่เพิ่นทํามื่จิตจนสุขมากวันพรุ่งนี้พร้อมพักผ่อนดีตั้งใจให้เป็นสุขอย่างวันนี้หรือว่าสุขยิ่งแปกวันนี้วันนั้นอันเลอะใช้ไม่ได้เลย เาการเตรียมตันี่ตกอยู่ภายใต้อำนาจพริวรตัวที่สี่ไม่เข้าไปกลนใจต้องทําตามแบบสบายจิตแจงสง บ, บแค่ไหนพอใจแค่นั้นถึงความสง บ, บเป็นสำคัญแล้วก็จงอยาบาังคับเวลาเกินไปว่าตอนใช้เวลาเท่านั้นตรง น, นี้ถ้าบังคับเวลามันจะลำบากอิจฉากายกลุ้มถ้ากลุ่มท า, างบังคับเวลาต้งใจเพื่อเวลามันจะกลุ้มถ้ามันทําไม่ได้ตทำ ตามที่เราต้องการถ้าความกุ้มเกิดขึ้นไม่ช้าสมาธิกระเปิดไปหมดแล้วต่อไปไม่ช้านานจะในโรคจระเข้ใสก็มาตอนนี้ไม่ดีคืองความประการจริลกรรมฐานขบันดาแทนพุทธบริษัทอันดับแรกคอยกำหนดรู้ราไม่ใจเขาออกนี่เป็นเรื่องสําคัญเก่าใหม่เหมือนกันหมดแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ทาตรงติดกับพร้าอนุอ์อานั้นถาดูก่อนอนุน เราเองก็เป็นผู้มากนาาปานุสติกกรมรมฐานนั่นหมายความว่าพระพุทธเจา้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีต้องใช้อารมณ์ให้ใจเขาออกเป็นปกติเพราะเป็นกรมนรมฐานที่ ร, รับทุกเวทนาทุกทเวทนาที่เกิดกับร่างกายจะป่วยคล้ายไม่สบา ย, ยมันจะทุกมีความทุกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พระชาณาปาณุสติกรมรมฐานเพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ต้องชักไม่ต้องชั่งนอ่างนี้มันจะลดไปประมาณ 90% ้าสิเปอร์เนต์เือนี้ต่อ นี้ว่าันไม่มีีปฏิบัติเรื่องต้นและเบื่องปลายเหมือนกันนะตั้งคุมอารมณ์เอาแค่พอจิตสบาย้าตั้งเวลาไว้ยังไม่ถึงเวลาที่ตั้งไว้บังเอิญคุมใจไม่อยู่มันก็สรรพใยให้เลิกซะก่อนอยาต้องรอถึงเวลาถ้ารอเกินไปก็สรรพใยมากเกินไปความคุ่มเกิดอันนี้จะจะขาดทรที่นี้แจ๊คจะแนะนาให้บุกแดนยวดา เกือบหมดเวลาใช่ไหมเอาชนะแดนเทวดาวันนี้ขอทุกคนเป็นเทวดาให้นางฟ้าให้หมดโดยเฉพาะตรงนี้ออกไปออกไปแค่เทวดานางฟ้าหล่นแล้วกันคือว่าถ้าต้องการเราต้องชนะเป็นขั้นๆถ้าความเป็นแค่ท่ า, านต้ชนะเป็นเทวดาได้ก็ชนะมิฐานได้ไม่ต้องเปิดโถ ก, ก็ได้นะ ง, ง่าย พรนี้เป็นเทวดาได้เทวะถ้าแปลผู้ผร้เสริยวันนี้พูดเฉพาะเทวดาสมัญชลในสวรรค์นิกามาวาจรเทวดาและนางฟ้ามีสภาพเหมนกันถ้าเรียกวันเทวตานุสติกรรมฐานแม่นุสติสิ <c oughs> เทวดานุสติกรรมฐานเนนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงการนึกถึงเทวดานี่ไปเจนนึกถึงภาพเทวดาหรือภาพนางฟ้าโดยเฉพาะ นึกถึงรูปร่างของท่านได้แต่ต้องนึกถึงความดีที่ทําให้ท่านเปเทวดาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีความดีพอก็เปเทวดาเปนางฟ้าไม่ได้ความดีที่ทําให้คนณเปเทวดาและนางฟ้าก็มีสองอย่างนั้นมากเลยนะขอเกล้วยฮึขอน้อนอำว่าก็ดิบไปหน่อยให้เป็นเครื่องดนีสุก็ินกระเท او มีสองอย่างคือหนึ่งเฮลิความละอายสองโอตตะปะความเกรงกลัวพระเจ้าบอกว่าเทวธรรมธรรมทีท่ทำบุคคลเป็นโยดามีสองอย่างหนึ่งอายสองกลัวอายอะไอายความชั่วขึ้นที่ว่าความชั่วเป็นปใจใัยราบาปบาปที่ทำลาชั่วอย่างการเราจะละเมิดสินห้ารายการนี้เราละเมิดไป่ได้เพราะอาย โอจะฝากเกรงกลัวเกงกลัวผลเพื่อความทั่วจะลงโทุกขตัวายหลังในเมื่อเรามีความอายบาปปางมีความเกรงกลัวตัวบาปและก็ไม่ทําบาปอยากผ่าร่างกาพื่อบาปอยากในบาปละเอียจะมีอยู่อย่างนินทาว่าร้ายชาวบ้านอจะเบืองนั่งแช่งนั่งชักกระดูกก็เอาเหมือนกันใชเอาแต่บาปอยากก่อนเราจะคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์เราฆ่าไม่ได้เราอายความทั่ว ชีวิตใครใครก็ชอบชีวิตใครใก็รักไม่ว่าใครไม่อยากให้ใครมันทำร้ายร่างกายแล้วชุกเหมือนกันอย่างนี้แล้วกลัวผลความชั่วจะทำให้เกิดความทุกข์ถ้าอายสองอย่างนี้รรดายากโยมพระจุลวรเป็นจีวดาได้เป็นนางฟ้าได้แน่นอนตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งไม่เกิดอายบ้างไม่อายมากเลยทําไง อนวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงชั้นอายสองนาทีก็ <c oughs> อายเหมือนกันนะอายสองนาทีเกรงกลัวสองนาทีแต่มันมีเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็คิดว่าคนทุกคนก็ไม่สามารถจะเป็นเพวดานางฟ้าได้แต่แเออความอายความทั่วเกรงกลัวความทั่ ว, วมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็ บางวันก็อายบางวันก็ไม่ายบางทีวันเดียวกันอายบ้างไม่ไอบ้างกลัวบ้างไม่กลัวบ้างอย่างนี้ต้องมีป็นปกตินะของผู้ตุชนที่ยังไม่เป็นประโสบดาบันถ้าเป็นประโสดาบันแล้วก็อายาปากยากใช่ ห, ให้บาปละเอียดเล็กน้อยที่ไม่สามารถลงระบายผู้ประสดาบดีทาคารยังทําอันนี้ที่แต่ น, น่อยเป็นมากไนหะถ้าพระเรียกว่าพิชมาจารย์ อย่างนี้อาจจะยังทำแต่อย่างอยากคอยทำตนองอบายภูมิได้เขาไม่ทำแน่นอนด้ฐานะที่เราเป็นบุรุษชนมันจะอายน้อยกว่าไม่อายใช่ไหมแต่ถ้าทำในเป็นเทวดาแล้วเขาได้เป็นนางฟ้าเก็ได้ก็ต้องดูตัวอย่างคนความอายจริงๆมีความสำคัญก่อนตายแต่ต้องซ้อมความอายไว้ก่อน ซ่อนความกลัวไว้ก่อนตจำที่ว่าก่อนตายเ้าจะไอบากรจะกลับา ก, าบากนี้นไม่ได้ถ้าจิตมันชินมันไม่อายใช่ไหมในระหว่างนี้เราก็ต้องซ้อนความอายไว้ขั้นหนักใดบางคนมันได้ยากยองพรทุบริสัท์หลายคนอา จ, จะเห็นว่าคนที่มีความประพฤติไม่ค่อยจะดีมากแต่ปลายกือว่าตายได้เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นสตบ้างก็มีบางคนเป็นพระอาจารก็มี แล้วในตอนต้นท่านทำบาปจะไอตอนที่จะตายเป็นอายมากอายมากเป็ที่สุดธิ์จะเป็นพระสา ร, ารไอายย่อนมันหน่อยก็เป็นพรหมไอหย่อนมันหน่อยก็เป็นเทวดาที่หนังฟ้าเครื่องความาาความอายที่มีความขุ่นคือต้องเวลาก่อนตายและก่อนจะตายเวลา น, นี้ปกติต้องซ่อมความอายซ่องความโกรธก่อนให้จิตมันชินการซ่อมความอายซ่องความโกรธนั่นหมายความ เราจะอ้ายตรอมใจที่ขาดสติสัพพนญญาด้วยการควบคุมลมให้ใจเขาออกเมล่อลมใจเขาออกถ้ารู้อยู่มันก็รู้ทั้งวันไม่ได้นะเลยเหมือนพระอรหันต์พระอหัรหรห่รู้ทั้งวันจะถามว่าพระอรหันต์ไม่รู้ทั้งวันได้ต้องตอบได้เลยว่าพระอรหันต์นี่รู้ทั้งวันตั้งแต่นาคาเมื่อไปคุมได้ทั้งวันและไม่ขาดนะ แต่ถามว่าขาดเวลาไหนไม่มีขาดแน่นอนเพราดานาคามีเกไปอย่างเราเราบอกหนักใจใช่ไหมเพราะท่านไม่หนักใจไม่แค่ดอนาคามีไม่ได้ดานาคามีตักิเลสหนักสุดแล้วกรรมชั้นเท่ปฏิฆาตัดได้แล้วอะไรความเข้มแข็งของใจไม่มีเดานาคามีไม่ได้ดังนั้นอะไรไม่ต้องพวดกันกายควบกลมอารมณรู้กลมเข้ากลมออกจะเป็นการคุมปฏิชมสัญญา วันหนึ่งให้นึกถึงความอายความชั่วสักครู่หนึ่งเอาก็จริงๆนะวันหนึ่งถ้าเอาแค่นึกจะนึกตั้งเวลาเล็กน้อยก็ไม่แน่เอาดีากว่าเอาแห่แน่นอนเลยทั้งนึกด้วยทั้งเว้นด้วยกว่าแก่ความชัว่วตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าไหวไหมไหนไหม เอาหกโมงเช้าเก้าวมงช้าวัมงมไม่ใช่ไปนั่งนยะคนทางานทุกอย่างแต่ขึ้นที่ว่าศิลห้าตอนนี้ไม่ยอมละเมิดไหวไหมไหวเลยแต่ว่าทั้งนี้ห้ามตั้งเวลาก่อนหลับนะอย่าตั้งแต่หลับไปถึงตื่นฉันไม่ทำบาปทีนี้ไม่เอากันนะ่วลายอมโจทย์จีกันแบบนี้เงยนบัญชี้นมาแล้วถามใครบ้างอนะ่ะเราคนนี้ เราว่าตั้งใจอนุสติเร า, าตั้งใจนึกถึงเอาอะไรกันนึกว่าเราจะก น, นึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเอาก่อนหน้านิดหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะหมดเมื่อจะตายชาตินี้ไม่ขอไปอบายภูมิย่างเวลวเราก็ไปสวรรค์สวรรค์นีน่ถือว่าเลวอย่างกลางเราจะไปกลมถ้าสามารถไปสูงสุดนิพพานได้เราจะไป ตังแต่เวลานี้คือหกโมงชาจนเก้าโมงเช้าเราจะมายอมแล้ว่็สินคาติขาดใช่ไหมไม่ใช่ไปนั่งภาวนาอนุสติเองเขาไม่ได้ภาวานาแตานั่งแสดงว่านึกถึงว่าชีวิตต้องตายเป็นมรรนานุสติกรรมฐานนึกถึงนั่นกันนึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นพุทธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระสงฆ์เนสังฆานุสตินึกถึงกระแผงไปเลยนึกถึงสิในศีลานุสติ ว่าศีลทั้งหมดห้าข้อจะไม่ยอมละเมิดถึงเก้าโมงเชา้าท่าคิดว่าเราถ้าเราตายเะไรเพราะปฏิภาณมานานอันนี้เป็นอุปสมานุส ต, ตินุสติกันเยอะใช่ไหมถ้าญาติโยมคิดอย่างนี้เป็นปกติตั้งเวลาทําไปเลยไม่ใช่เป็นนั่งสมาธินะถ้าไปนั่งสมาธิคือว่าใช้ไม่ได้คือ <c oughs> ต้องไม่นั่งสมาธิทํางานทําการทุกอย่างแต่เราจะละเมิดไม่ละเมิดศีงห้าในขาดนะ ไม่ยอมปรมาโมทย์พระศาสนาคนเท่าเ น, นี้ยใช่ไหมอันจะไปนั่งบนบุญบำบุญบำบุญ บ, บ, บยานิ้พญาโยกโจดแหลกเลย <c oughs> ไปโจดตัดก็ลงความท่ า, าท่านทําอย่างนี้ได้ทุกคนวันหนึ่งสามชั่วโมงไม่ต้องนั่งสมาธิเอาแค่จิตนึกนึกไว้แล้วก็ไปต่งนึกต่อนึกว่าเราจะคารวะพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ชีวิตนี้ต้องตายขึ้นความตาย รึกว่าสินมีข้อเจริญสายทรงตัวทั้งก้าวองเท่านี้แล้วก็ทำงานทุกอย่างจิตลึกถึงงานโดยไม่ละเมื่อสินอะไรอยงไม่อยากนะท่านทำได้ทุกคนอย่างนี้แต่เวลาจะตายจริงๆริมันไม่แน่นักว่าท่านจะไปไปสวรรค์ขครว่าการมัดระวังขั้นดาญาโยมพุริษัตรระวังจนชิน สารจะมองระวังจริงๆไม่ต้องระวังไม่ต้องไม่ต้องระวังมันมันตั้งตัวระวังมันเองสติสมิทยะสมบูรณ์ถ้าโดยไม่ต้องระวังมันก็ไม่หมด อ, อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นชาญเนนันุสติทั้งหมดมันจะอย่างเดียวล่มาทานข้าวยางทีเดียวใช่ไหมถ้าไม่เผลอมันคุมตัวเองเป็นชายถ้าเป็นชาอย่างนี้เวลาตายไป็นมนโลก ถ้าบังเิตัวท้ายสุดองค์ปสมาุติเมื่อกี้นี้นนในนิสึงพฤติพัณฑ์ในอารมณ์เป็นฌานด้วยถ้ามีอารมณ์ทรงตัวคิดจิตคิ ด, ค ด, คด น, คนิยมสุนิพัณฑ์อย่างเดียวเวลาจะตายทั้งหมดจิตมึพร้อมในการตัดกิเลสมันตัดอยู่แล้วไอ้คนจะตายทุกเวทนามันนะัะความรักระหว่างเพศมันก็เกิดไม่ได้ความอยากรวยมันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหม ความโกรธจะไปฆ่าใครมันก็มีมันได้เราโวยโยจะฆ่าใครความหลวงในร่างกายเราด้างกายในว่าดีก็มีไม่ได้แในจิตใจพร้อมจะปฏิพัน์นตอนนั้นจิตจะตัดร่างกายทันทีนิพพานไม่นิดเดี่ยวถ้าจิตไม่ต้องการร่างกายอะไรมันเป็นหลนมันั้นตายเขาปฏิพันธ์เวลานี้เลยสามสิบนาทีมาย่องยองมาสองนาทีเวลานี้ก็เขาบันดาญา ต, ติโยมเขาจะไว้จับโกดธตั้งใจสมาท า, า, านและการวรทัน